พระธรรมเทศนาแผ่นที่114ลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินทวายจังตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่30มิถุนายน2560มีชื่อเรื่องว่าบ้าจิมโทรศัพท์วันพุ่งนี้เป็นวันบวชหนากนะจทธาญาิโยม ทุกหมู่ทุกเราและก็พร้อมกันในวัดของเราก็เตรียมพร้อมเพราะนากที่จะมาจากชัยภูมิไปบวชแล้วจะมาก็คงจะรถบัตรหลายคันอยู่ตอนบ่ายๆและาทางในครัวจะเบี่ยงกังให้เตรียมเตรียมไว้ด้วยมีอะไร ถ้าขาดเหลืออะไรก็บอกประสานมากับครูบาก็ได้ยังขาดขาดเหลืออะไรนะช่วงนี้แปลว่าให้เตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมอะไรอาหารตามมีตามเกิดของเรานะวันนี้เป็นวันที่ส0มสิบมิถุนายนพุทธศักราช2560วันพรุ่งนี้เป็นวันบวชนาคประจำปี ก่อนเข้าพรรษาตามปกติพวกเราหลวงพ่อกำหนดวันรับนากก่อนเข้าพรรษาสองอาทิตย์อันนี้คือหลวงพ่อประกาศแล้วบอกอีกอาทิตย์แรกเราเตรียมพร้อมฝึกขันฝึกนากฝึกนากเกี่ยวกับ กายใจปรับความรู้สึกแล้วก็ปรับการเป็นอยู่ปรับแนวความคิดที่พวกเราจะอยู่ป่ารงพงภั่แล้วก็พร้อมกันก็นกเอามาท่องเอามาท่องให้เข้ากันผู้ที่จะบวชเอสาหัง เพราะว่าเราไม่ได้เคยอยู่ด้วยกันการท่องเอสาหังก็ต้องมาปรับกันอีกบางองค์เสียงเล็กบางองค์เสียงใหญ่หนักนะก็ต้องมาปรับให้เข้ากันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันเป็นส่วนยากแต่เราจะไปปรับว่าเอา้าองค์เสียงน้อยองค์เสียงเล็กเอาไปอยู่ยด้วยกันองค์เสียงใหญ่เอามาอยู่ด้วยกันมันไม่ได้มันเกี่ยวกับพิษ กฎระเบียบวินัยอีกแต่ไนะคือตามอายุใครมีอายุไล่เรียกันก็จัดมาเป็นกลุ่มหนึ่งแต่ว่ากลุ่มที่ไล่เตี้ยกันนั้นอนะ่ะมันเสียงไม่เข้ากันเถะนี่แหละพระพี่เลี้ยงปวดหัวในการฝึกขานานากเพราะนั้นตรงมาอย่างน้อยเจ็ดวันเจ็ดวันกันอยากน้อยเกินไปอยู่แต่ถ้าว่าเราเคยฝึกมาก่อนหน้านี้แล้วนะ ก็ไม่มีปัญหาก็ได้ง่ายขึ้น เ, เมื่อจากนั้นก็เราก็จะได้เตรียมเมื่อบวชแล้วก็จะได้เตรียมท่องคำแสดงอาบัตและก็ท่องอวิธีการเข้าพรรษาอันนี้ก็คงจะเตรียมพร้อมแล้วละ่ะอันนี้หลวงพ่อไล่เรียงให้พวกเราคณะสัตธา ญ, ญาติษมได้รับผู้รับทราบว่าการเข้ามาเป็นนาคเป็นทำยังไง จากนั้นก่อนที่จะบวชนาคตามกฎมหาเถรนญท่านก็นให้ตรวจสุขภาพก่อนแล้วว่าเป็นมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรไหมเป็นโรคที่ร้ายแรงติดต่อไหมอย่างนี้นะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแล้วก็พร้อมกันเมื่อบวชวันที่หนึ่งแล้วนะก็ขอให้นาคทั้งหลายขณะที่ขณะที่เป็นนาคเนะี่ย ให้ดูกุฏิของตนเองที่พักของตนเองวันพรุ่งนี้หลวงพ่อเปิดโอกาสให้ญาติพี่น้องของนาคที่บวชแล้วนะให้เข้าไปดูกุฏิของนาคได้เปิดเพียงวันเดียวนะเพราะว่าใครญาติพี่น้องผู้ใดอยากไปจะไปดูที่พักของพระใหม่ของตนเองะเข้าไปดูได้นะ แล้วก็เมื่อไปดูแล้วครั้งต่อไปเลยจะไปดูไม่ได้นะถ้าจะมีการมาต้อนรับพี่น้องก็มารับที่ศาลาเนะี่ว่าการรับที่ศาลาก็ต้องดูซะก่อนแต่ครูบาอาจารย์มีการไปชุมมีเรื่องอะไรพูดคุยกับจัตยานญาติโยมอยู่เราก็ต้องดูกาละเทสะเราอาจจะไปพูดคุยที่โรงน้ําร้อนบางที่ไหนบางที่นัดพบกัน กับญาติพี่น้องแต่ถึงยังไงก็าตามเพราะวินัยของพระนี่ภิกษุจะเป็นพุทพระใหม่พระเก่าก็ตามถ้าบอกผู้หญิงโยมผู้หญิงจะเป็นญาติพี่น้องก็ตามไม่มีผู้ชายอยู่เป็นเพื่อนผิดวินัยต้องให้มีผู้ชายคนหนึ่งอยู่เป็นเพื่อนนะอันนี้ก็คือกาตามพระวินัย แต่ถึงยังไงอย่าไปคุยกันในที่รับหูรับตาตัวทุกคุยในที่เปิดเผยอย่าลุงพ่อคุยศรัทธายาิโยงอยู่ที่ศาลานะเราจะไปคุยแข่งไม่ได้นะเดี๋ยวโดวนเฉ็งนะต้องกลับมาคุยกันหรือว่ามีอะไรก็มาพูดกันที่สหลังศาลาก็ได้นั่งมานั่งที่หลบนล้คุยกันกับพี่น้องแต่กับโยมผู้หญิงแล้วก็พี่นยของพระเนี่ย เข้มงวดกวดขันให้พระเก่าให้พระเก่าแนะนําจุดนี้นะเป็นเรื่องละเอียดพอสมควรเนี่ยแหละอันนี้คือคือกฎระเบียบของพระใหม่ในเมื่อบวชแล้วนะพระเก่าท่านก็คงจะพาเป็นทุกอันดิษฐานถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยัยจากนั้นก็ญาติโยมผู้ที่จะเดินไปส่งก็ให้เข้าไปส่งได้แต่อย่าเอารถเข้าไปนะ ถ้ารถเข้าไปนะมันเสียงสดั่นหวั่นไหวโยเ ย, ยไปหมดไม่ได้ถ้าคนแก่ไม่ควรจะเข้าไปนั่งคอยอยู่ที่ศาลาถ้าคนหนุ่มควรจะเข้าไปเพราะว่าวัดของเรามันกว้างเราจะเดินไปนะั่นก็นะเราจะเอารถเข้าไปไปทําไมถ้ามันเดินไม่ได้ไม่ต้องไปเอาผู้ที่จะเดินได้พ่อแม่ที่มีผู้ที่จะเดินได้ก็ค่อยเข้าไป ทาเดินไม่ได้ไม่ให้เข้านะไม่ให้เอารถเข้าไปทารถเข้าไปแล้วจุ่งเยิงวุ่นวายที่หลวงพ่อมาให้คนเข้าไปภายในวัดเพราะอะไรถ้าญาติปีน้องคนนั้นญาติโยงคนนี้อยากจะดูวัดอยากจะชมวัดหรือเข้าไปเป็นแต่เรื่องจุ่งเยิงวุ่นวายทั้งหมดมีแต่เรื่องเสียงโขนพระที่จะไปนั่งภาวนาเดินยองกรมอยู่ข้างในมีแต่คบกับคนเสียงสนันวันไหวไปหมดชาวบ้านไปเฮติลิงกับไปทุก ทวงลิงไปเห็นนกก็ททวงนกไปเห็นกรอกกระแตไปเห็นสัตวนะ์เสียงบวกเวกปุวยวายไปหมดพระที่อยู่ในป่าเนะ่าจะทำยังไงเสียความสงบเราเสียสละมาจากบ้านเจ้าเรือนมามาเมื่อมาเพื่อภาวนาหาความสงบกลับมามาเห็นแต่ขนพุ่นวายในวัดไม่ได้นะแต่หลวงพ่อสาหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อจะต้องรัตวเวนนะบางทีก็นั่งรถไปบ้างบางทีก็เดินไปบ้าง ไปตรวจตราว่าวัดของเรามันเป็นยังไงตรงไหนอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของหลวงพอ่อจะต้องตรวจตราภายในวัดแต่องค์อื่นห้ามนะไม่ให้ใชยรถจะทําให้พุ่นวายนะอันนี้ก็ชว น, นึ่งแล้วก็พร้อมกันถ้าเป็นไปได้ไม่ใช่เป็นไปได้นะกดหลวงพ่อเคยห้ามมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะพระปวดใหม่ไม่ควรจะใช้โทรศัพท์นะ เพราะโทรศัพท์มันเป็นล่อแหลมต่ออันตรายต่อวินัยต่อพระวินัยของพระสงฆ์อีกต่างหากนะเว้นเสียแต่เรารู้วินัยแล้วนะวินัยข้อนี้คืออะไรที่ล่อแหลมที่สุดก็คือพิษสุพูดเกี้ยวหญิงต้องสังคาที่เศษคำว่าเกี้ยวหญิงคำนี้นะคล้าว่าเกี้ยวพาลาศีเหมือนชาวชายหนุ่มหญิงสาว ถึงจะไม่ได้อยู่ใกล้กันแต่เกี่ยวพาราศีทางโทรศัพท์ทางจดหมายเหล่านี้น่ยมันล่อแหลบต่ออบัติซังคาที่เสดเพราะฉะนั้นจุดนี้ให้พวกเราศึกษาถ้าเป็นไปได้เน่ยงดถ้าใครอยากจะเป็นพระที่บริสุทธิ์ผุดพ่องเป็นพระที่อยู่ในศีลธรรมแล้วควรจะงดในเรื่องนี้ถ้าขึ้นไปนั่นก็จเป็นพระเน่าในเป็นพระแก่เป็นพระรําเป็นพระเน่าใน เพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกพระทั้งหลายทั้งปวงนะที่หลวงพ่อพูดเนี่ยให้สำรวมระวังเพราะว่าเกี่ยวกับวินยัยพระในพระพุทธศาสนาแต่หลวงพออ่อขยกลประเด็นเพียงข้อเดียวนะแต่มีหลายๆข้อในพระวินัยของพระนะแต่ถั้งยังไงก็ตามเราเข้ามาบวชเรามาบวชเพื่ออะไร เ, เราบวชเพื่อหวังบุญกุศลเพียงสามเดือน เราเสียสละเราตัดไว้ก่อนสิ่งภายนอกอย่าเอาเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายถ้ารอออกมายุ่งเหยิงวุ่นวายมาคิดภายนอกแล้วนะ่ะพราะพระเทวเจ้าท่านพา ย, ยุ่งมาพอแรงแล้วสมัยก่อนเมื่อพระองค์ไปไปเสด็จไปอยู่ในป่าดวงพงไพแต่ก่อนหน้านี้พระพุทธองค์ท่านก็ไม่ไดตรัสไม่ได้กล่าวอะไรนะแต่คงจะยุ่งเหยิงวุ่นวายพอมาพอแรงแล้วลนะ่ะแต่ขนาดวันที่จะได้ตัดจะรู้นะ พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณขนาดพระ อ, องค์นั่งขัดสมาธิเนี่ยพญามารเสนามานลูกสาวพยามารแล้เขามารบกวนราวีพระพุทธเจวเนี่ยคว่วามารคํานี้คือขันธามานกิเลสมารเนี่ยขันธามานคือความรบกวนทางกายก็คือการจ็บแข้งปวดขาเนี่ยว่าขันธามานกิเลสมานก็ ค, คือนี่แหะความนึกคิดอารมณ์ที่มารบกวนพระไทยของพระ อ, องค์ นี่แหละกิเลสทมานตัวนี้แหละสมมุติเป็นนางลานางตันหาราคาอารดีเข้ามาลาวีพระพุทธเจ้า เ, เกือบวงแตกเหมือนกันนะเพยยลัยเพราะว่าพระองค์คงจะคิดไปถึงเวียงวังเกิดไปถึงอารมณ์เก่าที่เคยอยู่กับสนมนาร่เนี่ยมันเป็นกิเลสไปเกียนราคะกิเลสโทสะอันนี้เป็นนางราคะนางตันหาราคาอารดี เข้ามาลาวีพระพุทธเจ้าคล้ายๆแบบพระพุธองค์เข้ามันแค่แต่วิตกกังวลอ้อยองิงกับกิเลสกิเลสเหล่านั้นพระองค์เข้าไปเยื่อใหญ่จากนั้นพระองค์กดด้วยตั้งจิตอธิษฐานเอาเถ้าข้าวไปเจ้าปรารธนาพุท ธ, ธภูมิเข้าไปเจ้าจะไม่เยื่อใหญ่กับสิ่งเหล่านั้นนี่แหละน้ําพระทัยของพระองค์จึงเป็นน้ํานาง นางธรณีบิดมวยมวยผม เ, ยเหล่านั้น พ, พยามาลเสนามานละเลงละลายหายไปหมด น, นี่นะี่ะให้พวกเราคิดดูให้ดีกันแล้วกันมานเหล่านั้นคืออะไรคือกิเลทสทมานคืออารมณ์ที่พวกเราเคยพบเคยผ่านมาเคยกินก๋วยเตี๋ยวเคยเที่ยวเตะเคยไปเที่ยวที่ไหนต่อที่ไหนมันจะประเดังประดังเข้ามามาเข้ามาสู่ใจของเราที่เราจะ ภาวนาจิตใจของเราจะก้าวกระโดดไปสู่มักสู่ผลไปสู่คุณงามความดีกิเลสเราทํามันจะทวงเอาไว้นะมันไม่ให้ไปมันถ่วงเหมือนกับเครือเขาเถาวัลเราจะไปเข้าไปมันมัดแข้งมัดขามัดตีนมัดมือเราเขาออกยากเลยนี่แหละกิเลสเหล่านั้นนะมันจะมาถ่วงเราขณะที่เราจะ มาบวชมาเป็นพระในพระพุทธศาสนาเอาเถอะข้าวไปเจ้าคราวนี้ข้าวจะตัดไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนสมเดือนน่ยข้าวไปเจ้าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรบอกกับหมูกับเพื่อนเอาเถอะเดี๋ยวนี้ผมเข้ามาสู่วัดป่าแล้วนะมาสู่วัดหลวงพ่ออินแล้วท่านให้ผมอยู่ในความสงบผมอยู่ในความสงบก่อนสมเดือนถ้าว่าเป็นไปได้อย่างนั้นนะเป็นพระที่ดีนะลูกหลานนะเราจะภาคภูมิไป ใจไป น, นานเท่านานทีเดียวนะแต่ถ้ามีความจำเป็นหลวงพ่อก็ไม่ได้ว่านะมีความจำเป็นจะต้องพูดต้องกล่าวกับเมืองบางครั้งบางคราวเราก็ติดต่อใครต่อใครก็ได้แต่อย่าไปพร่มเพื่อนะพอเราบวชแล้วเราไม่ใช่เป็นครวัตไม่ใช่ว่าจะจิ้มจิ้มโทรศัพท์ทั้งวีทั้งวันไม่ได้นะแต่หลวงพ่อทุกวันในหลวงพ่อไปเห็นบางสิ่งบางอย่างหลวงพ่ อ, อยังคว้าง แต่ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะเป็นผู้ใหญ่นะบางทีมานั่งอยู่ในที่ศาลาอย่างนี้แหละทั้งที่ท่านพระพูดทั้งที่พระสวดมนต์เพลเผลเขารับศีลตัวเองก็มาดูจิ้มโทรศัพท์ดูโทรศัพท์ปัดโทรศัพท์อยู่ในมือจะมาทำไหมจะเข้ามาทำไมในที่สาธารณะดูแล้วมันขวางหูขวางตาออกไปทำอยู่ข้างนอกก็ได้ไม่น่าจะมาอยู่ข้างๆใกล้ๆพระนะ หลวงพ่อเลยอยากจะพูดอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้มันหนาหนาตาเข้าไปเรื่อยไปกรุงเทพเขาไปเห็นอยู่ที่กรุงเทพอีกต่างหากนะ อ, อทั้งที่เขาไหว้พระสวดมนต์ตัวเองมาปัดโทรศัพท์มันถูกต้องไหมพวกเราคิดดูสิมันถูกไหมอย่างนั้นมันที่สาธารณะเป็นผู้ใหญ่อีกต่างหากเพราะฉะนั้นไม่ควรจะทําช่วงนี้เป็นช่วงที่กาลเทศะการส ถ, ถานที่บุคคลเราควรจะประกอบคุณงามความดี ควรจะละเว้นไปก่อนถึงจะรวยมันก็คงจะไม่รวยคงจะเสียหายก็คงจะไม่เสียหายอถึงจะไงใครโทรเข้ามาเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็บอกโชว์อยู่แล้วว่าเมื่อเสร็จงานแล้วเราก็ยังค่อยดูเปิดดูว่ามีใครโทรเข้ามาบ้างมันก็บันทึกไว้อยู่อันนี้เราทําไมไปหา ย, ยุ่งเหยิงวุ่นวายเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งวีทั้งวันเพียงแต่โอกาสเพียงเท่านั้นก็ยังปล่อยปลาละวางไม่ได้ห <c oughs> ลวงพ่อว่านะกิเลศ กินหัวใจทั้งรุ่นกินกายวาจาใจทั้งรุ่นไม่มีอะไรในหัวใจมีแต่เรื่องกิเลสนะโลภโกรธโลงทั้งนั้นเพราะฉนั้นเสียงทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้พวกพระทั้งหลายต้องฟังนะต้องฟังไปนสถานที่ใดบางพรีกําลังจะฉันยังหันย่างยด ย, ยกโทรศัพท์มาพูดหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อขู่แทนทีเลยท่านทําได้ยังไงมันถูมันงามไหมท่านจับติด เอาโทรศัพท์ติดโทรศัพท์ถึงขนาดนั้นเฉลยขณะจะกินข้าวก็ยังจะมาฉันยังหันทําตามวินัยของพระพุทธเจ้าถูกแ ต, แต่ยังมายกหูโทรศัพท์คุยกันอีกบางทีจะสวดมนต์เสียงดังจจับโทรศัพท์มาอีกหันหน้าไปคูดโทรศัพท์อีกดูดูมันเป็นอะไรไม่รู้จกักกาละเทศการสถานที่บุคคลเฉลยเราจะเป็นพระที่ดีได้อย่างไร ยิ่งเป็นครูบาอาจารย์เอกต่างหากบางบางแห่งเหลวงพ่อว่าถ้าจะเห็ยนจ้าจะอยากจะให้หลวงตามหาปัวเนี่ยมานั่งมาดูจริงๆในช่วงนั้นนะเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่หลวงพ่อพูดเนี่ยให้พวกเราทัานทั้งหลายนำไปคิดนะเจ่งไหมถูกไหมเหมาะสมไหมสวยงามไหม อ, อย่าไปพึ่งเหมาว่าหลวงพ่อพูดรุนแรงนะหลวงพ่อน่ยพูดตามหลักเหตุและผล อยหลวงพ่อจะไม่ทําที่หลวงพ่อพูดได้กล่าวมาทั้งหมดนั่นแหละหลวงพอ่อระวังระวังนะดูๆแล้วมันไม่งามไม่ถูกต้องอไม่ถูกการเทศะการจะฐานที่บุคคลนะอันนี้สริงเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงนะขอให้พวกเราทุกๆท่านนะพระเนนลูกหลานทุกองค์ชดทาญาติโยมทุกคนที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อแต่ทีอยังไงก็ขอให้พวกเรา ท, ท, ท่านทั้งหลายในพรรษ า, าที่จะถึงนี่นะให้พวกเรา เอาอะไรอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเอาไว้ชีวิตของพวกเรามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะไม่รู้ว่าจะล้มหายตายจากเมื่อไหรเพราะนั้นเราจะอยู่ชลาาใจไม่คิดไม่อ่านไม่ได้นะอันไหนคือคุณงามความดีคือบุญกุศลควรพวกเราควรจะเอาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของเราไหวพ้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิภาวนาประกอบคุณงามความดีมีมากมายในหลักธรรมความสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้นําสั่งสอนบอกกล่าวพอเราศึกษาดูแล้วให้ศึกษาดูถ้าหากว่าครูบาอาจารย์พูดว่าครูบาอาจารย์พูดแต่เอาเรื่องเป็นแนวความคิดของครูบาอาจารย์ถูกต้องตามพระไตรปิฎกหรือเปล่าไม่ได้พูดพรับไตรปิฎกจะพูดตามพระไตรปิฎกกัน ก็ได้นั่งฟังนะอาเชวนาจะบาลานังบัณฑิตานังจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังไล่ไปเรื่อยเนี่ยพวกเราฟังเลยสิอันนี้มาในพระไตรปิฎกนะนํามาในพระธรรมคําสอนของพุทธเจ้าแต่เราไม่เข้าใจทีนี้ครูบาอาจารย์ก็ต้องบอ ก, กอเราอ่ะเอเชวนาจะบาลานังอย่าไปคบคนพา น, นะบัณฑิตานังจะเสวนาให้คบบัณฑิตนักปราช บูชาจะปูชนียานางบูชาบุคคลที่ควรบูชานะีอันนี้กับครูบาอาจารย์ก็ต้องได้บอกมาชี้แจงให้พวกเราพวกเราจะไปแปลอย่างไม่ได้เพราะนั้นจะไปตำหนิว่าครูบาอาจารย์ฟังแต่ครูบาอาจารย์ไม่ได้ฟังในพระไตรปิฎกนะมันก็ไม่ได้นะเพราะครูบาอาจารย์ได้ศึกษามาแล้วคําว่าภาระชนคืออะไรภาระชนก็คือจิตใจของเราคิดไปในทางชั่ว คิดไปในช่างทั่วเมื่อคิดแล้วก็พูดไปในทางชั่วแล้วก็ทําไปนั้นทางชั่วอันนี่แหละว่าพานเป็นพาละชนนะเซเวนาจะพาลนนนพานังในละคนพ่านลใจที่เป็นพ่านเป็นภาละชนบันริตาะจะเซวน า, าคิดไปในทางกุศลอยากจะให้ทานอยากจะรักษาศีลอยากจะภาวนาอยากจะประกอบคุณงามความดีอันนี้เราว่าบันริตาะจะเซวนา ปูชาจะปูชาในยานังบูชาจิตที่ไหนที่เป็นกุศลควรบูชานะและก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นผู้มีพระคุณอันนั้นเป็นสถานที่เคารพสักการะบูชาอย่างพุทธปฏิมายอย่างนี้นะเรามากับยกมือและกักราบนะอันนี้เขาบอสถานที่ควรบูชาบุคคลที่ควรบูชาธรรมะที่ควรบูชา จิตใจของเราไปในการกุศลเป็นใจที่เป็นที่ควรบูชาเนะีเยคือว่าใจที่สูงส่ง น, ะนี่แหละบูชาจะปูชาในยมนาะงยานังก็เป็นมงคลอันอุดมเป็นมงคลอันสูงสุดนะถ้าพวกเราได้ศึกษาธรรมะทำคำสอนของพุทธะแล้วนะพวกเราจะเข้าใจสรุปแล้วก็คือคิดดีทำดีพูดดีเท่านั้นนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวา ต, ตลอดมานะ เ, เกือบจะวัดทุกวันนะอาทอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรในที่นี้น่ า, าวันพรุ่งนี้ก็นี่แหละมาฉันที่นี่แหละพอฉันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะพวกเราก็คงจะเข้าไปข้างในไปเตรียมการบวชนะพราะนั้นเขาให้คู่บาทั้งหลายช่วยๆกันดูนะทั้งข้างนอกทั้งข้างในนั่นแหะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลแหลอชาลาหลังนี้พวกเราก็ได้ คงจะได้ใช้บ่อยเหมือนกันในช่วงนี้ช่วงเดือนแรกของการเข้าพรรษาเนี่ยพี่น้องประชาชนบางทีก็มาเป็นหมู่เป็นคณะเป็นอำเภอหนะ่ะพวกเราจะต้องได้ดูแล้วก็พวกนี้ก็อย่าลืมอย่างที่ว่าเตรียมเนาะโรงทานอาหารก็ตั้งๆไว้สําหรับใครหิวมาทานอาหารตั้งเป็นหมอ้อตั้งอะไรไว้เผื่อมันหิวจะทํายังไงได้ไดเทศกาล ก็ไม่กี่วันล็อกนะทําปุ่นทาทานมขนาะดดีกว่าเอแต่มันก็ยากไห ม, มกระยุงยากเพราะสมควรมันรู้จักคนมากเป็นอย่างไงถ้าอยู่คนเดียวมันก็ง่ายนะทําหลายคนก็ยังว่านะ่ะไม่รู้ว่าใครต่อใครน า, นานาจิตตังนานาทัศนะนานาความคิดเห็นอย่างที่ลุงพ่อได้พูดได้กล่าวนะั่นนะอแต่จะทํำยังไงไดนะ้เราต้องทําใจ <c oughs> จะไปทําใจคนอื่นก็ไม่ได้ต้องทําใจถึงคนตนเอง ต้องทำใจ